จะเกิดต้องอาศัยวิญญาณตามหลักพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าคนเราจะเกิดมาได้นอกจากจะต้องอาศัยพ่อแม่และอาศัยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วยังจะต้องอาศัยวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่อีกเพื่อมาเกิดในไข่ที่ผสมเอาไว้แล้วถ้าหากว่าไข่ที่ผสมเอาไว้แล้วนั้นแม้ว่าจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนได้ก็ตาม แต่ถ้าหากวิญญาณยังไม่มาปฏิสนธิไข่นั้นจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนไม่ได้เป็นอันขาดนี่คือหลักพุทธศาสนาข้อหนึ่งที่ควรจะจำเอาไว้ก่อนและเท่าที่กล่าวมานี้ยังไม่ได้พิสูจน์และการที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนธรรมดาจะพึงทำได้ง่ายเพราะคนที่จะสามารถพิสูจน์และยอมรับด้วยตนเองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ต่อเมื่อต้องมีความสามารถ ประลึกชาติได้และต้องมีตาทิพย์คือสามารถที่จะมองเห็นพวกโอปปปาติกะหรือชีวิตในโลกของวิญญาณได้โอปปปาติกะคือกำเนิดหนึ่งที่ผุดขึ้นโตทันทีเช่นสัตว์นรกเปรตเทวดาพรหมและการที่พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ก็เพราะพระองค์ทรงระลึกชาติได้และทรงมีตาทิพย์ ซึ่งความสามารถทั้งสองอย่างนี้เป็นผลที่เกิดจากสมาธิในขั้นสูงคืออย่างน้อยจะต้องได้ฌานสี่คือจตุทาาัฏฐานและจะต้องมีความชำนาญในการเข้าฌานที่ว่านี้ด้วยอันหนึ่งพึงทราบไว้ด้วยว่าผู้ที่มีความสามารถอย่างนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวสาวกของพระพุทธองค์ในสมัยครั้งพุทธกาล และแม้ในสมัยต่อมาที่ปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้ก็มีเป็นจำนวนมากนักบวชในศาสนาอื่นเช่นพวกรษีหรโยคีที่มีความสามารถเช่นนี้ก็มีมากและบางคนไม่ใช่เป็นนักบวชแต่เป็นคนที่สนใจในการฝึกสมาธิและฝึกได้ดีด้วยจนกระทั่งมีความสามารถดังที่กล่าวมาก็มีเหมือนกันและดูเหมือนจะมีทั่วโลกเป็นแต่คนประเภทนี้มีน้อยมากเท่านั้น คนที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสมาธิอย่างกว้างขวางทุกคนจะยอมรับว่าเรื่องที่กล่าวนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติหรือเป็นเรื่องที่เหลือวิสัยแต่ประการใดเมื kind of ่อพูดมาถึงตอนนี้บางคนอาจจะแย้งว่าคนส่วนมากในปัจจุบันเกือบจะทั้งโลกก็ว่าได้ไม่เคยมีใครมีประสบการณ์เช่นนี้ด้วยตนเองหรือเคยเห็นตัวอย่างของบุคคลที่มีความสามารถเช่นนั้น เพราะฉะนั้นจึงทำให้น่าเชื่อว่าการประลึกชาติได้หรือการมีตาทิพเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้รั้นแล้วเขาก็จะไม่ยอมรับทฤษฎีที่ว่าคนเราจะเกิดมาได้จะต้องอาศัยวิญ ญ, ญาณมาเกิดในท้องแม่เพราะเขามองไม่เห็นว่าวิญญาณจะมามีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดของคนได้อย่างไรและวิญญาณที่ว่านี้คืออะไรเมื่อเขามองไม่เห็นและไม่เข้าใจ ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่บุคคลประเภทนี้จะไม่ยอมเชื่อว่าเรื่องการระลึกชาติเรื่องตาทิพเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และไม่เชื่อว่าการเกิดของคนเราจะต้องอาศัยวิญญาณสําหรับเรื่องการระลึกชาติและเรื่องตาทิพข้าพเจ้าก็จะผ่านไปก่อนเพราะไม่มีเวลาอธิบายเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวมากและมีรายละเอียดมากที่จะต้องศึกษา นั้นว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าเขียนขึ้นมาสําหรับผู้ที่มีพื้นเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณมาบ้างแล้วและเชื่อว่าการระลึกชาติการมีตาทิพเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทุกคนควรจะศึกษาให้เข้าใจว่าคนเราจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องอาศัยวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่หลักอันนี้เป็นหลักสําคัญเบื้องต้นทีเดียวประถาคนไหน ไม่เข้าใจและไม่ยอมเชื่อในเรื่องนี้การศึกษาพุทธศาสนาในขั้นต่อไปจะไม่มีทางเข้าใจได้จริงๆเลยและจะมองไม่เห็นด้วยว่าศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของคนเราขอให้สังเกตว่าคนที่ไม่กลัวตายไม่เป็นห่วงตัวเองและเป็นคนที่มีสิรธรรมเกิดจากตัวเองคือเป็นคนมีฮิริโอตปะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่า คนเหล่านี้มีความเชื่ออย่างสนิทว่าคนเรากําเนิดมาจากวิญญาณของตัวและเชื่อว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ตายซึ่งหมายความว่าคนเราเมื่อตายก็ตายแต่ร่างกายส่วนวิญญาณจะต้องไปปฏิสนธิอีกในเมื่อกิเลสในสันดานยังไม่หมดสิน้นและเมื่อวิญญาณปฏิสนธิอีกก็จะต้องมีน้ํารูปคือมีตัวตนเกิดขึ้นมาอีก